มาเก็บตกเช้านี้ก็จะพูดเรื่องออกจากความถูกผิดด้วยความสุขทัวครั้งก่อนก็ได้พูดเรื่องนักโทษประหารเนื้อเรื่องซีเรียสวันนี้ก็จะพูดเรื่องแบบสบายๆแล้วก็มีแง่คิดให้ญาติโยมฟังโดยมีเรื่องเล่าประกอบเรื่องแรกที่จะนำมาเล่าเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นานาแล้วหลายสิบปีก่อนเวลาตีห้ากว่าก็มีแท็กซี่คันหนึ่งกําลังจะไปส่งผู้โดยสารที่ดอนเมืองขณะที่รถกําลังวิ่งอยู่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 อุ้มลูกเนี่วิ่งไปบนถนนเพื่อหาแท็กซี่พาไปส่งโรงพยบาบาลแต่ไม่มีแท็กซี่มาเลยแม้แต่คันเดียวจําเป็นต้องอุ้มลูกวิ่งไปหาเพื่อนบ้านใกล้ๆ ก, กันแหะขอให้ไปส่งที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อนบ้านก็ไปส่งแท็กซี่ก็เล่าต่อไปว่าเนี่ยคายไปถึงโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ถามว่าจะเอเท่าไหร่ค่ารถเพื่อนบ้านเรียกห้าร้อย นี่สร้างความแข็งใจให้กับโชเฟอร์มากเพราะเงินสมัยนั้นสมัยเมื่อประมาณ14ปีก่อนเนี่ยก็ถือว่า500ก็เยอะอยู่เพราะว่าวิ่งจากลาดพร้าวมาลงทา่ทาทิถีเนี่ยถ้ารถไม่ติดช่วงตีหนึ่งเนี่ยก็ประมาณแค่70บาทรถติดก็ไม่เกินร้อยแกก็แค้แล้วแกก็เล่าให้ผู้โดยสารฟังมาตลอดชายที่นั่งมาด้วยก็ฟังจนแท็กซี่พูดจบ แกก็ เ, เอ๋ยขึ้นบ้างคุณชื่ออะไรโอผมชื่อนิยมครับคุณนิยมขับรถเมื่อกี่ปีแล้วอ้อ7ปีครับรถแท็กซี่เดียวิ่งกะระกี่ชั่วโมงโอ้อ12ชั่วโมงครับแต่วิ่งไม่ไหวหรอกเชั่วโมงก็เหนื่อยละต้องพักผ่อนชายผู้นั้นถามต่อสมมตินะนี่คุณนิยมคุณขับรถบา 7,8 ชั่วโมงแล้วพักตอน4ี่ทุ่มแล้วเวลาตีหนึ่งเนี่ย ผู้โดยสารบิทรล่าด่วนมาจ้างคุณเนี่ยเจ็ดร้อยคุณจะไปไหมแท็กซี่ก็ไม่ไปครับช่วงนั้นกำลังพักผ่อนเงินม่ประโยชน์เลยการทัอก่อร์สำคัญกว่าอ้าวคุณเป็นโชเฟอร์แท็กซี่อาชีพเจ็ดร้อยบาทคุณยังไม่ไปเลยแล้วเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยอาจจะทำงานหนักกว่าคุณก็ได้เราไม่รู้เขาทำงานอะไรขณะพักผ่อนอยู่ครอบครัวอยู่ๆตอนตีหนึ่ง ก็มีคนมาเรียกขอช่วยเหลือซึ่งเขาไม่มีทางเลือกเลยจําเป็นต้องไปถ้าเขาไม่มีน้ำใจและไม่มีรถเดีย่ยลูกคุณตายแน่นอนแถมพ่อของเด็กยังดา่าคนที่มีบุญคุณช่วยลูกให้ผู้โดยสานฟังบ่อยๆผมคิดว่าผมคงไม่ใช่คนแรกถ้าพ่อของเด็กมีน้ำใจนะให้เงินไป สักพันหนึ่งโดยแม่งถามอะไรทุกวันนี้คงมีความสุขมากนิยมมองที่กระจกเลยมองชายคนที่พูดเล่นละชายชายผู้นั้นตกใจพูดพูดเพลินไปหน่อยแล้วเอ่ยถามว่าท่านจะไปไหนครับตอนแรกเรียกคุณตอนนี้เรียกท่านแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบสงบอ๋อผมจะไปสอนคนให้คิดเป็น ทำไมเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดแบบที่ท่านพูดเลยผมด่าเขามาตลอดตอนนี้ผมรู้สึกเสียใจจะไปขอโทษเขาดีไหมผมย้ายบ้านมาสามปีแล้วผู้โดยสารขึ้นมาว่าคุณเนี่ยถูกธรรมชาติลงโทษมา14ปีแล้วมันจะเป็นต้องไปขอโทษเขาหรอกเพื่อนบ้านคุณเนี่ยเขามี ค, ความสุขที่ช่วยให้ชีวิตลูกคุณเนี่ยปลอดภยัยแถมคุณยังให้เงิน500ร้ออีก ถือคุณแฟร์ส่วนคุณจะเครียดมาตลอดถ้าใจใผมเดานะคุณเป็นคนเห็นกกบตัวใจแคบที่เอ่ยปากถามว่าจะเอาเท่าไหร่เจต น, นาก็เพื่อให้เขาปฏิเสธถ้าคุณให้จริงเนี่ยคุณจะไม่เครียดแบบนี้เลยให้ให้แบบเต็มใจให้เนี่ยเพราะลูกคุณเนี่ยมีราคามากกว่า500รอมากไม่รู้กี่พันกี่หมื่นเท่าโชเร์แท็กซี่ฟังแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเลย ท่านไปถึงดอนเมืองก็ก้มลงกราบชายผู้นั้นแถมจะไม่เอาค่าโดยสารด้วยแต่ชายผู้นั้นบอกไม่ต้องหรอกแถมให้ให้ตีไปยีสบาทผู้โดยสารคนนี้ก็คือวิทยากรชื่อดังคนหนึ่งคืออาจารย์พิพิท พ, พุ่มแก้วท่านก็เป็นมืออาชีพแบบผู้ได้คนได้คิดเป็นเพราะคนทั่วไปส่วนมากคิดไม่เป็นพอคิดไม่เป็นเนี่ยก็ทําให้ตัวเองทุกข์บ้างเครียดบ้างคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องประบั่นทอนตัวเองเรื่องนี้ก็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 ก็ติดอารมณ์แล้วก็ทุกอันนี้เป็นเรื่องโลกโกเรื่องต่อมามีเศรษฐียุค น, นึงได้พาลูกเขยสองคนนั่งเรือเล่นเรือพายลูกเขยก็คือเขยใหญ่เขยเล็กขณะที่พายเรือไปเศรษฐีก็สังเกตเห็นเป็ดเนี่ยฝูงหนึ่งจึงชี้ไปที่ เป็ดแล้วถามเขยทั้งสองคนว่าเขยใหญ่ทำไมเป็ดถึงลอยน้ำได้เขยใหญ่นิ่งกะพังก็ตอบว่าเพราะเป็ดมีนขนครับพ่อเอาเขยเล็กว่าไงธรรมดาพ่อเศรษฐีก็ไม่ว่าเลเหรอเือ ก, ก็แล่นต่อไปสักพักหนึ่งกสง็สังเกตเห็นหน่อไม้ที่อยู่ริมตลิ่งเ่ะ เศรษฐียังถามลูกเขยเหมือนเดิมอะเขยใหญ่ทำไมหน่อไม้ถึงโผล่จากดินขึ้นมาได้เขยใหญ่ตอบพอยอดเป็นแหลมก็พอเอาเขยเรียกว่างไงธรรมชาติครับเศรษฐีไม่ค่อยพอใจเขยเรียกเขาอะไรหรอเพราะมันตอบไม่มีเหตุผลเท่าไหรหลังจากภายนั่งเรือเล่นจนเหนื่อยแล้วก็ขึ้นฝั่ง ก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางเศรษฐีก็เห็นห่านอยู่ฝูงหนึ่งกาลังร้องเสียงดังลั่นหวดจึงถามลูกเขยเหมือนเดิมแหละเขยใหญ่ท ำ, ท, ำทำไมห่านถึงร้องเสียงดังมันคอยาวครับพ่อเอาเขยเล็กว่างไงธรรมดาครับพ่อเศรษฐีไม่พอใจเขยเล็กแต่ก็ปล่อยไปก่อน ค่ะที่เดินทางใกล้ถึงบ้านเนี่ยเศรษฐีก็เห็นงูตัวหนึ่งกลังเลื้อเข้าเลื้อออกจากรูเนี่ยงูที่ตัวมันมันแผบเลยเศรษฐีก็ถามลูกเขยทั้งสองอะ่ะเขยใหญ่ทำไมตัวงูมันเลื่อมแบบนี้อ๋อมันเลื้อเข้าเลื้อออกจากรูครับพ่อมันก็เลยมันเลื่อมเคยเล็กว่าไงธรรมชาติครับพ่อ ข, ขันกลับขันกลับถึงบ้านเนี่ย เศรีก็เรียกเขยเล็กมาหาแล้วก็คุยกัเขยเล็กไอ้เขยใหญ่มาตอบเหตุผลทำไมเองตอบธรรมดาแล้วก็ธรรมชาติรออธิบายมาสิว่าทาไมเองคิดแบนั้นค่าถามเขยใหญ่ว่าทําไมเป็ดถึงลอยน้ําได้มันตอบว่าเพราะเป็ดมีขนมันก็เบียดพ้นอยู่ทําไมเองตอบว่าธรรมดาถ่พ่อ มันไม่ยังเป็นหลอกที่ว่าเป็ดมีขนต้งลอยน้ําได้เพอะเห็นขี้บัวแห้งไหมมันก็ลอยด้บได้ไม่เดี๋ต้องมีขนเลยเออจริงของเองแล้วหน่อไม้อ่ะเขื่อใหญ่เป็นต่อว่ายอดเป็นแหลมแล้วเองต่อว่าธรรมชาติอธิบายไหมสิโทรพ่อไม่ยังเป็นหลอกต้องยอดแหลมซึ่งโผล่จากดินได้พ่อเห็นเห็ดไหมเห็ดหัวทู่อ่ะมันก็แทงทข้าดินได้เหมือนกันเออจริงของเอง อ้าวแล้วห่านเหรอห่านเขยใหญ่ไม่ตอบว่าคอยาวอะ่ะทําไมอะ่ะเองตอบวัมดามันไม่ยังเป็นต้องคอยาวหรือเสียงดังหรอกพ่อเคยได้ยินเสียงอึ่งอ่างไหมอึ่อ่างร้องเสียงดังกว่ากว่าห่านด้วยซ้ําคอมันก็สั้นนิดเดียวเออจริงเองมีเหตุผลอ่าแล้วงูอะ่ะงูที่มันตัวมันเลื่อมอะ่ะเลื้อยเข้าเลื้อยออกอะ่ะเขยใหญ่ไม่ตอบว่าเพราะมันเลื้อยเข้าเลื้อยออกมา ก, ม, ากมันถึงตัวมันเลื่อมอะ่ะ และเองตอบว่าธรรมชาติอธิบายมาสิเขยเล็กนิ่งอึงมองหน้าพ่อตาอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยตอบขอโทษครับพ่อหัวร้ายของพ่อเนี่ยไม่เห็นต้องบุดเขา้ามุญออกเลยมันเลื่อมเรื่องนี้ก็จบไม่รู้ว่าเคยเล็กมาโดนตะพดหรือเปล่าเรื่องนี้ก็ถ้าเราฟังเป็นนิทานมันก็ธรมธรมดาธรรมดาแต่ถ้ามาตีเป็นฟาน่ายนามธรรมเนี่ยไอ้เขยใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ความรู้ แต่ไอ้เคยเล็กเป็นคนรู้ทำสองคนนี้จะต่างกันคนที่มีความรู้เนี่ยจะรู้ทุกเรื่องแหละแต่เคยเล็กจะรู้จริงกว่าไงเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันก็ธรรมดาธรรมชาติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสองคนนี้จึงมีความคิดความเห็นต่างกันนะเอาเรื่องต่อมาเรื่องนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุน่นอาจารย์เซนอยู่ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์เซนชื่อเสียงโล่งดังแล้วก็เป็นอาจารย์ของโชกุนด้วย ท่านเป็นที่นับหน้าถือตาของคนญี่ปุ่นในยุคนั้นมีชื่อว่าอาจารย์ฮากุอินแถวๆข้างๆวัดอาจารย์ของอาจารย์ฮากุอินเนี่ยมีร้านชําอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยลูกสาวดันไปนมีท้องพ่อแม่ก็เคียนตีเพื่อใลูกเนี่ยบอกมาว่าใครเป็นพ่อของเด็กลูกสาวก็อับอายถูกบีบคั้นแล้วม้ามาลุยทำไงดี ก็ตอบแบบทรงเดชบอกว่ า, วาท้องกับอาจารย์ฮาคุอินสองคนผมมีโกรธมากอุตส่าห์ลงนับถืออาจารย์ฮาคุอินว่าเป็นผู้ที่แบบเป็นคนที่มีคุณธรรมมีศีลมีวินัยมาทำแบบนี้ได้ไงจึงเดินทางไปไปหาเลยไปถึงก็ชี้หน้าดา่าด้วยคำหยาบคายด่ า, ดาคำด่าคงเยอะแยะหมดอะด่าจนเหนื่อยแล้วอาจารย์ฮาคุอินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ ท่านก็นิ่งไม่ได้แสดงความโกรธแต่อย่างใดท่านก็เอ่ยคิดว่าอย่างนั้นเองหรือถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็เอาที่สบายใจแล้วสองภูมิมีังก็กลับบ้านไปกาลเวลาผ่านไปจนลูกสาวเนี่ยคลอดลูกลูกเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักสองคนตายายจึงอุ้มหลานมาให้อาจารย์ฮากุอินบอกนี่เอาไปเอาคือเอาเด็กมาให้ ยัดเ ย, ยีดให้เลี้ยงไงแหละอาจารย์ฮาวินก็ไม่ได้ว่าอะไรก็รับเด็กมาเลี้ยงเลี้ยงอย่างดีนะเลี้ยงเหมือนลูกเลยการเวลาผ่านไปประมาณปีปีกว่าตอนเนี้อาจารย์ฮาวินชื่อเสียงปนปี้ยาะยับหมดแล้วคนบริเวณนั้นก็บอกว่าท่านเน่ยทุสีลมีเมียพูดจาปากอย่างใจอย่างชื่อเสียงนี่แย่หมดแล้วอาจารย์ฮาวิน แต่ท่านก็ไม่ว่าอะไรนะท่านไม่สนใจลกกูกธรรมท่านก็ทําหน้าที่เลี้ยงเด็กปลอย่างดีแหละหานมหาอะไรให้เด็กจนเด็กโตขึ้นแล้วแล้วก็สร้างความร้อนใจให้กับแม่เด็กจนตัวเองเนี่ยร้อนจิตร้อนใจจึงต้องสรารภาพความจริงกับพ่อพ่อแม่ว่าตนเองเนี่ยไลีไ้ยงท้องอาจารย์ฮาอีหรอกท้องกับไอหนุ่มหาปลาข้างๆบ้านนี่แหละสองคนตาใหญ่ฟังก็ตกใจว่าแทบช็อกเลยนะพราะตัวเองไปดา่า อาจารย์แล้วก็ปรับปัมเยอะแยะหมดสองคนตา ย, ยายก็รีบไปที่วัดไปถึงพอเจออาจารย์เฮาอินก็กราบขอขอโทษขอโพยอย่างจริงใจครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ขอเด็กกลับคืนแล้วก็จะลากลับอาจารย์เฮาอินก็เอ่ยขึ้นว่าอย่างนั้นเองหรือเอาที่สบายใจเรื่องนี้ก็จบอาจารย์เฮาอินเนี่ยท่านก็ไม่หวัน่นไหวในโลกธรรมนะ ยอมรับการเสียชื่อซึ่งทําได้ยากซึ่งเป็นคนทั่วไปก็ต้องเถียงเอาเตะเราตายแล้วเสียชื่อขนาดนี้ต้องฟ้องร้องกันแล้วปรับปํามกันได้ยังไงแต่ท่านเข้าถึงธรรมะท่านก็ยอมรับถือเป็นกรรมเก่าของท่านแต่เหตุการณ์แค่ปีกว่านะั้นแต่บางเหตุการณ์เนี่ยอาจจะใช้เวลาเ ป, ป็นสิปียังแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เลยบางคนโดนปรับปราโดนเก่าตูก็มีเรื่องแบบนี้ จึงโชคดีขอใจเอาอินไปที่ว่าปีกว่าก็เคลียปัญหาได้ถ้าเป็นหลายสิบปีเนี่ยคงแย่เลยเอาเรื่องต่อมาเหตุการณ์เรื่องนี้ก็คล้ายวัดเราแหละเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกมันจะมีหอยทากชุบชูมถ้าโยมเลยไม่ดีก็จะไปเหยียบหอยทากตายแหละดังปักเลยแล้วหอยทากนี่มันก็มันก็คาดมั่วนะบางทีเมื่อกี้ไม่มีอัตอนนี้มีแล้วพอเหยียบตาย ไม่แบบไม่เจิตนานเนี่ยแต่จิตเราก็ตกได้เั้นเราก็ต้องระวังถ้าไปที่มือก็ฉายไฟดูหน่อยเป็นการช่วยชีวิตเขาไม่ให้จิตเราตกเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนานมาแล้ววัดเสแห่งหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะทําวัดเช้ามืดๆเนี่ยประมาณค้ายๆวัดเราเนี่ยก็มีพระผู้เฒ่าอยู่รูปหนึ่งคือท่านจะตื่นก่อนคนอื่นนะแล้วก็จะมาเก็บ หอยทากไปปล่อยไว้ข้างทางกูเอ ว, ว่าเดี๋ยวคนพารคกบับแม่ชีจะมาเหยียบหอยทากไงคือแกสงสารก็ทําอย่างนี้เนี่ยวันแล้ววันเล่าแล้ววันหนึ่งพระรูปหนึงเนี่ยมาเห็นเข้าก็เข้ามาต่อว่าบอกถ้าทางนี้ไม่ถูกนะพ่อยทางเนี่ยมีเชื้อโรคแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับคนทําสวนแล้วทางการก็มีนโยบายปราบด้วยทั้งสองคนก็อ้างเหตุผลต่างๆนานานะ มันทุกข์ทำไงจึงเดินทางไปหาเจ้าวาดเพื่อให้ตัดสินว่าใครผิดใครถูกเจ้าวาดกำลังนั่งอยู่แล้วก็มีเนรคอยอุบะากอยู่ภาพรูปแรกก็บอกว่าผมเนี่ยบับรบตอนแก่แล้วก็อยากจะช่วยสัมปสสัต์นั่นแหละโดยทำความดีจับหอยทากปล่อยเนี่ยก็ทำที่เจตนาดีเพื่อไม่ให้คนเดินผ่านมาเหยียบ ทำให้ชีวิตของหอยทากตกหล่นหลวงพ่อว่าผมทำนี้ถูกหรือไหมครับเจ้าวามองหน้าหลวงตาท่านนี้แล้วก็ยิ้มยิ้ ม, มเ อ, อ่ยขึ้นว่าถูกถูกของคุณภายรูปหนึ่งพูดขึ้นว่างบอกว่าหอยทากเนี่ยถ้าเราไม่เจตนาเหยียบก็ไม่ถือเป็นกรรมและไม่บาปและทางการก็ลดลงปราบเพราะเป็นมาหานำเชื้อโลกต่างๆมาให้ แล้วทำลายต้นไม้พืชผลต่างๆละวันเราเนี่ยกลายเป็นแหล่งพ่อพันหอยทากไปแล้วหลวงพ่อว่าถูกไหมครับเนี่ยหลวงพ่อจเจ้าวาก็มองหน้าพระรูป น, นี้แล้วเอ่ยคิดว่าถูกถูกของคุณเนนนั่งฟังอยู่ก็ขอเอ่ยบ้างโดยเอ่ยคิดว่าหลวงพ่อเอาแต่บอกคนนี้แก็ถูกคนนี้ก็ถูก มันไม่ใช่นะมีถูกก็ต้องมีผิดสิจะถูกหมดได้ไงหลวงพ่อจเจ้าวามองหน้านเนรหัวเลาะถูกถูกของเธอสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเลยถูกหมดเลยเพราะเจ้าวาเนี่ยมองเรื่องธรรมะไม่เอาเหตุเอาผลเอาถูกกว่าผิดไงแต่สามคนเนี่ยเจาถูกกว่าผิดกันจเจ้าเหตุเอาผลไง ถูกภีเหตุผลเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดแล้วไป็นเชนิขการทะเลาะ ก, กันด้วยใครเหตุผลดีกว่าก็จะเอาชนะแต่ถ้าเกิดมองเรื่องธรรมะเนี่ยมันหลุดจากอารมณ์พวกนี้นะเหตุเหตุผลต่างๆเนี่ยเพราะเหตุผลเป็นเรื่องความคิดไงอย่างที่ผู้พูดนามาเล่าเนี่ยอย่างเรื่องแรกเ่ยเป็นเรื่องคิดไม่เป็นก็ต้องใช้เหตุผลที่ดีกว่าเพื่อมาหักล้างเพื่อให้อีกคนจะคิดเป็น แต่เรื่องอาจารย์าฮลินเนี่ยก็เป็นการเจอโลกธรรมฝ่ายลบและท่าก็ผ่านได้แต่เรื่องสุดท้ายเนี่ยแมวถูกแม่ผิดเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะแต่การที่เราจะออกจากถูกผิดได้เนี่ยมันมีหลายระดับนะระดับโลกๆกก็คื อ, อยังเรายังไม่เห็นความคิดเนี่ยเราก็ต้องหาเหตุผลมาหักล้างกันแหละว่าคิดอย่างนี้ ไม่ถูกนะทุกนะต้องเชื่อผู้รู้แต่ถ้าวันใดที่เราฝึกสติและเห็นความคิดเองได้เนี่ยมือหน้าเราจะไม่เชื่อใครแล้วเพราะความคิดที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดับไปบางครั้งคิดความคิดเนี่ยมันก็ทํางานขึ้นมนตามหน้าที่ของมันแหละคิดแล้วเราจะไม่ติดไม่ติดอารมณ์ถ้าเราเห็นความคิดเมื่อไหร่อันนั้นคือต้นทางการปฏิบัติแล้วเราจะมีธรรมะเป็นตัวของตัวเองไม่จำเป็นต้องไปเชื่อใครแล้ว คือจิตใจเลยจะเปลี่ยนนาทีแลเปลี่ยนจากเคยหลงเคยเชื่อความคิดตัวเองก็จะรู้ว่าความคิดจะเชื่อไม่ได้เลยสิ่งเราเชื่ออาจจะไม่จริงก็ได้ฝวาคิดมันหลอกหมดแหละเหตุการณ์อดีก็ไม่จริงบางอย่างเอ๊ะเราก็ปฏิปต่อกันมันสร้างมันมีการปรุงแต่งบางครั้งมันก็ไม่ใช่ฉันความคิดเชื่อไม่ได้เลยยิ่งคนอื่นเล่ายิ่งเชื่อไม่ได้ใหญ่เลยแม้ตัวเราฝวาคิดเราอยู่เชื่อไม่ได้คนอื่นเล่าเนี่ยยิ่งเชื่อไม่ได้หนักเข้าไปอีก เพราะมันทำเป็นเรื่องเนื้อเรื่องบิดเบือนดังนั้นคนที่เห็นความคิดเมื่อไหร่การปฏิบัติธรรม ท, ท, ที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นแล้วแต่พวกโยมจะฝึกถึงขั้นเห็นความคิดได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราไม่เห็นความคิดเราก็ตกเป็นทาสไปแหละทั้งชีวิตเลยแหละอาจจะข้ามภูเขาชาติก็ได้ถ้าตื่นออกจาก ความหลงเน่ะมันรู้จักตัวเองด้วยการเห็นความคิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นเน่ยมันมีที่ส่งมากเลยนะทุกที่เราเคยแบกเคยยึดเอาไว้เนี่ยมันก็ไปเยอะแล้วอาจจะมีบ้างพวกกรรมเก่าอ่ะมันก็มันก็เราก็ชดใช้กันไปกรรมเก่าอะไรเราเจอคนไม่ดีมั่งเจอสิ่งแวดล้อมแย่ๆเจออะไรขัดใจต่างๆอันนี้เราก็รับกรรมไปแต่ใจเราก็สามารถทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้ ถ้าเราเห็นเห็นความคิดบ่อยๆแล้วหลุดจากอารมณ์พวกโลภ ก, กดหลงได้กิเลสเราก็น้อยลงถ้าเราไม่เห็นความคิดกิดเลสโลภกวหลงก็เต็มหัวใจแล้วมันสั่งสาหันกว า, าหาันอยากอยากลูกอยากนี่ ย, นยึดนู่นยึดนี่ทั้งที่มันยึดไม่ได้หรอกในโลกเนี้ยไม่มีอะไรเป็นของเราได้เลยเดี๋ยวเราก็ตายแล้วทุกคนนั่งที่นี้ไม่มีใครรอดเราตายหมดบอกได้เลยไม่รู้ยจอประหาชีวิตวันไหน สีธรรมได้ก็คือออกจากความหลงกันแหละออกจากความเห็นผิดความยึดถือตัวตนอัตตาเนี้ยถ้าเรายึดถือตัวตนน้อยลงลดละยึดถือตัวกูของกูเนี่ยตอนตายเราก็รอดอะอย่างน้อยๆก็อาจจะไปสุคติก็ได้หนังขอฝากไว้ก็ให้เราเนี่ยมันถ้าพอมเพียรขยันรู้ขยันเห็นออกจากความหลงคิดอะไรก็ไม่ติด แล้ขอใี่ฟานรู้สึกตัวพีฟานรู้ตัวเป็นเพื่อนแท้ของเราตลอดชีวิตเลยเพื่อนข้างนอกกับเพื่อนปล อ, อมพึ่งพาใส่ไม่ได้หรอกขูบาจา ก, ก็พึ่งไม่ได้ฟานรู้ตัวสติแล้วพึ่งได้และเป็นเพื่อนแท้เราตลอดการเป็นที่พึ่งได้ตลอดเวลาขอจบลงแค่นี้เอวัง